นี่มันก็หยุดฝนตกอย่างนั้นแ่ะปีนี้ฝนตกฝอยๆนะอืมไม่ได้ตกเป็นน้ําเป็นเนื้ออะไรตกอย่างนี้ทางอุดรก็เหมือนกันตกแบบนี้ฝนฝะอยสองปีนี่ตกฝอยอย่างนี้ตลอดอวันนี้มันจะบอกมันจะไหลวังไ น, นทุกวันมันไม่ออกไปก้วันนี้ฝนไล่มันไล่อย่างหลังนะ <c oughs> เอาฝนมานั่งหนักหน่อยนะม <c oughs> <c oughs> ันเป็นยังไงนั่งอยู่ห น, นึ่งทุมมันยังกําลังไหลขึ้นมาคนเอาเอาไหลเข้าไปข้างในนู้นสิอย่างข้งในนู้นคนแน่นคนแน่นก็เลยก็ข้างนอกมันม่มีที่นั่งให้ว่างเลอาเขามาไหลเขามา <c oughs> แน่นเขามาเรื่อนแน่นก่อนแน่น ันีมันไม่ค่อยไหลไปโน่นนะมันจะไหลเข้ามาร้อยห้าสิบแปงมารวมวันพระห้าร้อยห้าบแปงมยังมาอยู่เรื่อยยังมาเรื่อยๆนู่นอะไม่ใช่น้อยๆนะยังไหลเข้ามาเอาไหลเข้ามาไหลเข้ามาข้างหลังยังเยอะนู่นก็ไปโน ไม่บอกมันไปเองอไไเนลยเด็กนู่นน่ะยังมาเรื่อยๆอยู่นี่ของน้อยเมื่อไรนี่ข้งคาวมันบินไปน่ะั้งข่าวมันบินเล่นมีการเนี่ยนเะียว่าั้งข่าวแปลว่าเกียร์ทางโ น, นเขาเรียกว่าเกียร์ทางพังอิสานเขาเรียกว่าเกียรั้งข่าวแปลว่าอะไร มันขายที่หน้าบักฮานะั่ที่ชายแล้วนะ่ะมันโง่น่ล่ะแต่มันชอบค้าขายน่ะมันเหมือนตาตานี่เป็นนักค้าขายคนเดียวอยู่ในหมู่บ้านมีตาคนเดียวนี่ทั้งบ้านเลยค้าขายขายคนเดียวอย่นั้นตลอดเยเียมเงียบนะ ในบ้านทั้งบ้านไม่มีนะมีคนเดียวชอบค้าขายขายอยู่คนเดียวอะไรๆเวซื้อมาซื้อมาขายอยู่ตลอดอย่างนั้นเลยแล้วได้เงินมาอย่างเงี้ยเนียมไม่มีไม่ค่อยมีใครทราบนะไปซื้ออะไรต่อะไรจาซื้อวกของป่าที่ได้มาจ้าซื้อหมด พวกหนังเก่งหนังอะไรซื้อมาขายแล้วมีหลายประเภทแต่ซื้อได้หมดตาพ่อของแม่เป็นนิสัยชอบซื้อขายไม่มีใครซื้อขายในในห่้านไม่มีเลยมีคนเดียวซื้อขายอยู่เป็นประจำทีนี้พี่ชายล้มันมันหรือมันจะเป็นติดนิสัยพ่อตานะ การซื้อขายมันเต่งนะเนี่ยไอเราซื้อขายไม่เก่งพูดถึงเรื่อ ง, งโง่เรายอมรับการซื้อขายมันซื้อขายเก่งนะไอ่เนีเน่ไม่มีใครบอกว่ามันเป็นั้งมันเองหรือมันจะติดนิสัยตาตาตาก็ทำผู้ใหญ่กาลังไหลออกมากทาคนเดียวเนี่ยคนทั้งบ้านไม่มีใครซื้อใครขาย มีคนเดียวเท่านั้นซื้ออย่อยางั้นตลอดบางทีก็เป็นซื้อควายซื้อวัวออมาซื้อมาเท่า น, นี้ขายเท่านั้นซื้อมาเท่า น, นี้ขายเท่านั้นอยู่ตลอดอย่างอื่นนั้นอะไรๆซื้อหมดนะขายเล็กขายน้อยขายอยู่เป็นประจำทำเงียบๆไม่ไม่มีใครสนใจนะ แกก็ทํำของแกคนเดียวตาตาลอยนะทําคนเดียวอย่างนี้เงินมันมาเงียบเงียบพี่ก็คนทั้งบ้านมีมีซื้อมีขายคนเดียวได้เงินมาเงียบเงียบเงียบเงียบแล้วไม่มีใครทราบนะว่าว่ามีเงินนะเพราะเงียบเงียบแล้วเขาเก็บด้วยแต่ก่อนเขาม่มีละการโฆษณา เหมือนทั่วๆไปเลยได้มาสะไรก็เก็บเงียบเก็บเงียบมานีวันนี้เป็นวันที่จะแ ย, ยบออกเรื่องตานะกับพี่ชายพี่ชายมันมันไปติดนิสัยตามันชอบค้าขายเราสู้มันไม่ได้นะมันทำมันเองตั้งแต่พอเริ่มอายุสิบห้าิบหกปีมาขอเงินแม่ไป ไปซื้อวัวซื้อฝวายแม่ก็อุโลมตามนั่นแหละให้ไปซื้อมันคิดงมันเองอหละไปไปซื้อวัวบ้างซื้อฝวายบ้างขอเงินแม่ซื้อมาขายนี่มันก็แปลกอยู่นั่นแหละเร า, านี่เฉยไม่เคยสนใจแต่มันชอบอย่างนั้นมันเป็นหัวไปคนละทางว่า มันก็เลยซื้อขายจนกระทั่งวันตายนะไม่ชอยนี่ที น, นี้ใส่แล้วที่เวลาตายพอตาตายนี่เงินจึงได้มารวมอยู่กับแม่นั่นแหะพอมีฐานะบ้างเงียบๆนะเงินเป็นเงินช่างแต่ก่อนนะเงินเงินเหรียญ น, นะเงินเหรียญเงินเป็นบาทห้าสิบบาทตังต่อเป็นเหรียญ น, นะ เป็นบาปเป็นอะไร <c oughs> จรึงมีฐานะอย่างเงีย้ยเงียวเพราะทำอย่างนี้อ่ะพอตาขอมีลูกคนเดียวมอบให้หมดเลยอืฝนหยุดแล้วนะ่นะทุ่มสิบนาทีอืยังมาอีกคนนี้มาเรื่อยๆ อัมาที่ไหนนั่งเลยละ mm, อืที่มันแน่นหมดแล้วละเอามาที่ไหนนั่งที่ไ น, นั่งเลยวันนี้ฝนตก ค, คนอยู่ข้างนอกไม่ได้ลดีอันนี้ดีละวันนี้เชตอนบ่ายก็ออกทางวิทยุมั้งนะวันนี้เชตอนบ่ายก็ออกวิทยุ ทั่วประเทศทนะุกวันนี่เทศที่ไหนออกวิทยุทั้งนั้นนะไปเทศที่ไหนที่ไหนออกวิทยุทั้งนั้นเลยแต่ก่อนไม่มีต้องเอามาแล้วก็มาเข้าอะไรวิทยุทีหลังนะอันนี้เทศที่ไหนออกวิทยนะุมาเลยเอาขึ้นมาได้ยังไงเขาไปดิมีทางเข้าไปที่ไหนได้เอาไป ทางด้านนี้เป็นไงทูแน่นไปเลยวันนี้นะ่ะเอาเข้ามาเข้ามาแต่กันเข้ามาไหนมันแน่นสักทีน่ะกูตีหลังนี้นะ่ะมาลองดูตรงนู้นแน่นเลยยังยเฮ้ยยังอยู่ มันไม่อยากไปไล่ไปันไม่ยอมไปไล่ไปก็ไม่ยอมไปนั่งนั่งอยู่กลางนั่งนั่งอยู่กลานังเงี้ยเห็นฝนตกนนี่เราเลืกได้เวลาออกเที่ยวกรรมฐานแต่นั่นไม่ใช่หน้าฝนนะเป็นหน้าแรง เดือนธันวามกราก็เรียกฟ้าใหม่ฝนเก่ า, าอะไรมันประสานกันโซนหนาว ม, มากนะฝนตกหนาหนานั้นหนาวมากคือเดียวไม่ได้เหมือนฝนธรรมดาเรารู้สึกว่าหนาวมากตอนเดือนเดือนอ้าเดือนยี่นี่นี่อะ ต่อเดือนสามโดนเกือบพูดได้ว่าแทบทุกปีหรือว่าทุกปีถึงหน้านั้นละคือเวลาเงียบๆีย่างนั้นมันไม่มีฟ้ามีฝนแล้วก็ไม่มีที่มุงที่บังไปก็ตั้งแค่ลงตรงไหนก็นเอากดมาแขนแล้วก็ น, นั่งภาวนา ที่เวลาฝนตกมานี่มันหนาวจริงๆมากตกหนักซะด้วยนะบางทีโดนแทบทุกปเีเพราะไม่ใช่เวลาที่มีที่มุงที่บังอะไรถ้าเดินมีนาเมษาไปแล้วส่วนมากเรียกว่ามีที่มุงที่บงัง หรือไม่อย่างนั้นก็ขึ้นถ้ำเสียฝนตกก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนสำคัญเนี่ยตอนเดือนหนึ่งเดือนสองจะได้เดือนยี่ต่อเดือนสามนี่อที่เวลาฝนตกมาไม่เลยระวังแทบทุกปีบางทีฝนกบบาลังตกจัางเจ้าอ้าวเสือมากัดควายข้างมุ้งนี่ตกงมีเสือโคร่งเนี่ย มากัดควายข้างมุ่งนี่เอ้านี่มันยังไงก้านนี่วะมันมากัดควายมันมันมากินควายวนั่นแหละกำลังฝนตกเสียงควายร้องอ้าวอ้าว ข, ข้างๆนี่มันยังไงก้านนี่วะอย่างนั้นก็มีเวลานีน่แหละเดินายเดินยี่ น, นี่มันแทบทุกปี ฝนตกเปียกฝนตกตกเวลากลางคืนก็ได้วยนะถ้าตกกลางวันก็ไม่เป็นไรนะตายังมองเห็นหาที่หลบที่ซ่อนได้ตอนกลางคืนนเหมือนปิดประตูตีหมาที่แมนะนะวนั่นแหละมันตกลงก็สุดท้ายก็เอากดลงเอากดลงแล้วเอาบาทเอาอะไรอลไเข้าในในมุ้งหมดให้มันไหลออกข้างนอก แสวข้างนอกบาทอะไรจะพอเปียกเราใส่ในบาทเนี่ยเช่นอย่างไม้ขีดไฟติดไปกล่องหนึ่งสองกล่องเพราะนั้นไม่ขีดไฟแต่ก่อนไม้ขีดไฟเป็นกล่องนะเอาใส่ในบาทแล้วก็อยู่นั่นแ่ะฝนตกกางคืนฝาดจนน้ำเจิ่งไปหมดกลางคืนเดินอาเดินยีโดนแทบทุกปี อ่าเป็นหน้าสิเดินเดินมีหน้าเมษาไปแล้วแล้วก็ขึ้นถ้าก็ได้แล้วก็มีที่มุงมีหญ้ามุงวบหญ้าอะไรพออยู่ได้สบายถ้าถ้าเดินเดินอ้าเดินยี่เดินสามนี่มักจะเสียท่าทุกปีมึงกำลังมาคนแล้วทําไงล่ะฝนตกคนก็กําลังไหลามาอยู่ทําไงอืเออ มาพออยู่ข้างหลังได้ก็ให้ไปอยู่นะไอยู่ข้างหลังได้ก็ไปนี่ดางหลังห้องข้างข้างห้องได้ไปมันแน่นไว้ขึ้นมาเอ อ, เอขึ้นมาไปเข้าไปทางโน่นไม่เห็นตัวได้ยนินแต่เสียงได้ซ่อยได้ความก็ยังดีอยู่จะเป็นไรไปที่ไหนพอนั่งได้นั่งกันไปเ มันกำลังไหลเข้ามาเรื่อยๆยังกัน้นร่มนู่นงั้นเข้ามาไม่ได้แต่พุทธศาสน า, า, า, า, าท่านสอนลงที่ใจนะไม่เหมือนศาสนาอื่นใดคทธศาสนานี้สอนลงที่ใจ ใจเป็นตัวดีตัวดีนที่สุดโลกนี้มันอยู่ที่ใจของแต่ละคนละคนตลอดสัตว์มีคิดมีปรุงตลอดเวลาเนี่ยงานของใจคือความคิดความปรุงคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้คิดติดคิดต่อไม่มีที่ยับยัง้งช่งตวงได้เลยปล่อยให้มันระงับนี่ ระงับเองนี้ไม่มีทางมันจะคิดของมันยิ่งเป็นเรื่องไม่ดีเท่าไรก็ยิ่งชอบคิดมากสร้างความทุกข์เอาเจ้าของไปตลอดเวลาเรื่องความคิดแต่นี้คุธศาสนาท่านสอนลงที่ใจให้ดูใจตัวเองได้แก่จิตตะภาวนา ความคิดฟุ้งซ่านดำคาญอะไรอันจะทราบตัวเองในเวลามีสติมองดูใจตัวเองแล้วก็รู้วิธีหักห้ามมันได้คือถ้าปล่อยให้มันคิดไปไม่มีสถานีที่จอดและคือความคิดของใจ <c oughs> คิดไปเรื่อยคิดเรื่องนี้ต่อแล้วไง ิเรื่องนั่นต่อเรื่องนี้ไปเรื่อยๆ <c oughs> ที่มันคิดนั่นมันมีอันหนึ่งอยู่ภายในนีอันนี้ก็ไม่มีทั้งสามโลกนี่ไม่มีใครนำมาพูดได้เลยก็มีพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบต้นเหตุของมันความคิดปรุงเหล่านี้มันเป็นมาจากไหน <c oughs> หลกฐานของมันที่พาให้คิดให้ปรุงไม่หยุดไม่สอยคืออะไรจะอยู่ที่ไหนนี่พอท่านสอนเรื่องภาวนาให้ดูใจนั่นละมันอยู่ที่ใจใมีสติท่านบอกให้มีสติตั้งไว้ที่ใจคือความคิดปรุงพอสติจับลงไปนั่นแล้ว ความคิดปรุงมันเคลื่อนไหวยังไงก็เริ่มเริ่มรู้นี้เราก็มีภาวนาบทรำบทใดก็ได้บังคับเอาไว้มีสติบังคับเมื่อมีสติแล้วความคิดปรุงทั้งหลายมันก็หลังอับตัวไปจะมีแต่ความคิดปรุงเรื่องอักเรื่องทมเช่นคบริกรรมเป็นต้นมีสติควบคุมอยู่นั่น ความคิดที่เป็นฝ่ายกิเลสเป็นกงจักที่หมุนตัวอยู่ตลอดเวลามันก็หลังอับไปเอาความคิดทางด้านธรรมะธรรมะซึ่งเป็นน้ำดับไฟแทนเป็นความคิดทางด้านธรรมะเป็นน้ำดับไฟไม่ให้ความคิดของกิเลสแสดงออกมา่อยให้มีแต่วความคิด เช่นคำบุิกรรมกับสติควบคุมอยู่นั่นแล้ววิรยมันก็แสดงออกมาไม่ได้อันนี้เวลาภาวนาไปจิตก็สงบนี่หลถ้ามีสติคอยกากับอยู่เสมอแล้วจิตจะสงบได้ไม่คิดปรุงไปตามอำเภอใจเหมือนแต่ก่อนจิตสงบพ็สงบลงไปอย่างนี้ ความสงบของใจนี้มีหลายนิสัยไม่เหมือนกันส่วนมากจะค่อยสงบลงไปสงบลงไปด้วยคำบุญ ร, รมเป็นเครื่องกล่อมใจมีสติควบคุมไว้เสมอจิตใจจะสงบความคิดปรุงไม่ควรใจมิใจก็สงบไดอ้อีกประการหนึ่งเวลามันสงบ มันเหมือนคนตกเหวตกบ่อเพิบลงไปทันทีเลยแล้วเงียบไปหมดอย่างนั้นก็มีแต่นี้มีน้อยมากแต่ น, นิสัยที่ค่อยสงบลงไปสงบลงไปมีจานวนมากถ้าพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นแล้วมีถึงเก้าห้าเปอร์เซ็นสำหรับนิสัยที่ค่อยสงบลงไปโดยลำดับําดาแต่นิสัยที่ผ่าดขน รวมอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้ก็มีอันนั้นมีเพียงห้าเปอร์เซนที่ห้าเปอร์เซนนี่มักจะมีเรื่องมากที่สุดเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะ่ประเภทห้าเปอร์เซนนี้มันผ่าฝนโจรทยานเวลารวมนี่ฝังทีเดียวเลยลงถึงแดนนรกแดนสวรรค์ พวกเปรตพวกผีพว ก, ก, กที่ไหนมันไปได้หมดมีสากิจประเภทห้าเเซ็นนี่นี่ส่วนเก้า้าเปอรเซ็นค่อยสงบลงสงบลงถ้าลงถึงที่แล้วก็สงบเงียบเหมือนกันหมดแต่ที่ล่อแหลมต่ออันตรายหรือต่อภัยทั้งหลายนั้นเป็นห้าเปอร์เ็นี่ล่อแหลม ดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านห้ามพูดเท่าแม่ฉี่แก้วไม่ให้ภาวนานี่เป็นประเภทห้าเปอรเซ็นท่านไม่ภาวนาเพรามันผาดผล น, นี่เป็นอย่างนั้นอนะ่ะอืมเวลาเราไปพักที่นั่นเป็นครั้งแรกแต่แกก็มียานอย่างทราบดีเหมือนกันตอนที่เราจะไปแกก็ทราบแล้วแล้วว่าปีนี้จะมีครูอาจารย์ มาแนะนําสั่งสอนแล้วก็เล่าในหนังสือก็มีนี่ประเภทผาดผลพอไปเขบอกว่าหลวงปู่มั่นท่านไม่ให้ภาวนาท่านห้ามภาวนาเราจับได้ทันทีอะไเลยนะท่านห้ามเนี่ยเพราะเหตุอะไรรู้ได้ที่พอแก้แยบออกมาถึงเรื่องภาวนาก็เข้ากันได้ทันทีนี่ประเภทนี่เรียกว่าประเภทที่ผาดผล ต้องมีครูวายารคอยแนะนำสั่งสอนอย่างที่เราได้แนะนำสั่งสอนแม่ฉีแก้วถึงขนาดไล่ลงผูเขาอะไรร้องไห้ลงไปนั่น่างนั้นนะคือไม่ฟังเสียงเสียงธรรมไม่ฟังฟังแต่เสียงนิสัยของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมา ก, มากต่อมากก็เอาเรื่องธรรมตีเขาหนัก น่่คอยรู้เนื้อรู้ตัวจากนั้นถึงกลับตัวได้แต่ก่อนติดเธินดีไม่มีไปสอนเราขึ้นไปบนภูเขาปีแรกที่เราไปอยู่นั้นไปจาบรรษากับเนนหนึ่งให้หมู่เพื่อนอยู่ข้างหลังอยู่ข้างล่างถึงวันประชุมเราก็ลงไปประชุมที่ตีนภูเขาเรี่กว่าวัดป่าห้วยทรายนั่นเรียกว่าตีนภูเขาพระทั้งหลายอยู่ที่นั่นเราจําบรรษาอยู่ข้างบน ถึงวันที่ประชุมเราก็ลงไปประชุมแล้วขึ้นมาทีวันจะไล่จะลงภูเขาก็ขึ้นไปบนภูกเขายกคณะหมดทั้งสำนักเลยประมาณบ่ายสี่โมงขึ้นไปเป็นวันพระวันอะไรพอจวนหกโมงเขาประลงมามีเป็นประจําที่ได้แนะนำสั่งสอนนี่ก็คือจีดผาดโผล ไม่เอาหนักไม่ได้ผมพูดถึงเรื่องจิตภาวนาห้าเปอร์เซ็นต์ผาผลต้องได้ระมัดระวังดังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านห้ามไม่ภาวนาอย่างนั้น น, ะนั่นแหละประเภทห้าเปอร์เซ็นต์นอกนั้นก็ไปเรียบเรียบธรรมดาจิตนี้ดีตี้นตลอดเวลาให้นำพุทธศา ส, สนาออกไฟกะ เข้ามากำจัดมันภายในใจระงับมันลงได้ด้วยจิตตภาวนาหรือเราภาวนาให้สังเกตตอนภาวนาเราจะเอาอะไรเป็นอารมณ์ของใจก็ได้เป็นพุโทโธหรือมโมหรืออนาปานาสติก็ได้ตามใจกระดิดนิสัยชอบแต่สำคัญก็คือให้มีสติกากับคำบริกรรมนั้ น, น, นไวให้อยู่กับใจ ีความคิดความปรุงนั้นมันก็เกิดไม่ได้เกิดได้เฉพาะความคิดปรุงอันเป็นธรรมที่เป็นอัดเป็นธรรมซึ่งเรากำหนดตั้งขึ้นมาเช่นคำริตรมนี้เท่านั้นแล้วจิตก็ค่อยสงบลงสงบลงเมียจิลงในจุดของจิต <c oughs> ที่สงบออที่ที่มันฟุ้งซ่านจะสงบด้วยจิตะภาวนา อย่างอื่นทำให้สงบไม่ได้นะต้องสงบด้วยจิตภาวนาทันเป็นสอนให้ภาวนาพอจิตสงบลงไปความคิดตรุงทั้งหลายที่เคยรบกวนใจมันก็เบาไปเบาไปใจก็สงบเย็นแล้วสง่างามขึ้นมาจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ตามขั้นภูมิของใจที่ชำละได้มากน้อย เป็นเรื่องแปลกประหลาดขึ้นมาขึ้นมาภายในใจต่อจากนั้นก็ตัง้งราักตั้งฐานได้ใจก็กลายเป็นเรื่องเรียกว่าเป็นใหญ่ขึ้นมากว่ากิเลสแต่ก่อนกิเลสเป็นใหญ่บังคับหัวใจให้คิดปรุงยังไงก็คิดได้ตามความต้องการแตนี้เวลาเราอบ ร, รมทำใจมีความสงบเย็นขึ้นมาได้แล้วก็ ภาวนานตั้งสติให้ดีให้ไม่ความคิดตูง อ, งอย่างอื่นที่เป็นกิเลสเติดขึ้นมาแทนคำภาวนาให้มีแต่คำภาวนาลงไปใจก็สงบเย็นลงไปได้นี่คำว่าใจสงบเย็นนี้ผู้ปฏิบัติแต่ละลายละลายซึ่งมีนิสัยไม่เหมือนกันจะทราบด้วยตนเองแต่ที่รวมก็คือมีครูมีอาจารย์ เวลาไปเล่าถวายท่านท่านจะแกต่ตามเป็นรายลายไปนั่นไม่แก้เหมือนกันเพราะจะลิบนืสัยไม่เหมือนกันแต่สำคัญอยู่ที่ครูอาจารย์ที่มีความนุ่งเฉลียวฉลาดท่านแก้ได้ผลเป็นที่พอใจโดยลําดับเป็นอย่างนั้นในการฝึกปิดใจแต่ส่วนมากไม่ค่อยแสดงความผาดโผนเนี่เงียบเงียบ เราค่อยฝึกอบรมจิตก็ค่อยสงบเย็นไปทีนี้เราก็มีที่ยืดที่ก่อถ้าจิตมีทำรรเข้าสัมผัสใจมีได้พักผ่อนจิตใจเข้าสู่ความสงบได้บ้างวันไหนมีความยุ่งเหยงวุ่นวายมากเราจะรู้สึกตัวของเราว่าวันนี้จิตไม่สบายเลยว่าบุ่นฝุนมัวด้วยความคิดต่างๆนีเราก็ พยายามขยับจิตเข้าสู่ส่วนรวมคือภาวนาสงบใจเรื่องราวทั้งหลายก็ค่อยสงบไปสงบไปนี่ละการมีภาวนาดูใจเจ้าของมีที่ระงับดับกันได้ถ้าปล่อยให้คิดตามอาเภอใจนี่ยกว่าแหลกเลวไปหมดไม่มีชิ้นดีเลยถ้ามีภาวนาเข้าแทรกแล้วระงับดับกันได้ ท่านจึงสอนให้ภาวนานี่เรียกว่าธรรมสมบัติธรรมสมบัตินี้เลิศเลยเริ่มตั้งแต่เป็นขึ้นที่ใจมันก็เริ่มปล่อยวางสิ่งตั้งหลายซึ่งเคยยึดถือมาแล้วจุนจำเจลงออกได้เป็นลำดับลำดายิ่งจิตใจมีทำหนานแน่นเข้าทะไรสิ่งภายนอกไม่ต้องบอก เพราะรถของธรรมนี่ช น, นะเมื่อปรากฏขึ้นมาน้อยมันจะช น, นะรถภายนอกทั้งหมดสิ่งที่ติดพันอยู่ภายนอกไม่เป็นสาระอะไรแต่สิ่งที่ติดอยู่ในหัวใจคือธรรมมีความสงบร่มเย็นตัวเองเป็นต้นเมื่อได้ปรากฏขึ้นแล้วย่อมช น, นะสิ่งตั้งหลายที่เคยติดเคยพันมาเป็นลำดับลาดาไปนี่จึงเรียกว่าธรรมมาสมบัติ เป็นสมบัติที่เลือเอ่อเรือหรือชนะสิ่งสมบัติทั้งหลายโดยลำดับไปนีเวลาจิตมีหลักเกณนมากนอก้อยแคนี้มันจะเริ่มปล่อยวางสิ่งภายนอกหากเป็นเองเราไม่ต้องบังคับเพราะธรรมชาตินี้มีน้ําหนักมากกว่ามันจะหมุนไปทางด้านธรรมะหากว่ามีความจำเป็นมันก็ถอยจิตเข้ามา สู่ความสงบเย็นใจนี่เสียเรื่องราววุ่นวายทั้งหลายก็สงบไปสงบไปนี่คนมีธรรมในใจ <c oughs> มีการยับยั้งช่างตัวได้และพักพักจิตได้เยียบเรกห้ามล้อคือความเิียทั้งหลายได้ท่านจึ่สอนให้ภาวน า, นาการภาวนานี้ทำให้มีความดูดดื่มตลอดไปนะ้ ถ้าจิตใจมีความสงบเย็นมากน้อยเพียงไรยิ่งมีความดูดความดื่มไปเรื่อยเรื่อยภายนอกปล่อยไปปล่อยไปภายในหมุนตัวเข้าไปเรื่อยเรื่อยยิ่งปรากฏความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นจากจิตใจของตนโดยลําดับลาดา <c oughs> นี่จึงสอนให้ภาวนาท่านสอนให้ภาวนานี่เป็นจุดรวมของวัตจักรวัตจิต วัตจักวัตจิตคือจิตมันจะหมุนอย่างนี้ไปตลอดด้วยอำนาจแห่งอวิชชาปัจญญาสร้างข้าราคือทิเรตตัวสำคัญพาให้สัตว์ทั้งหลายหมูนเวียนเกิดตายอยู่ไม่หยุดไม่สอยไม่มีวันหยุดจะเป็นเคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นตลอดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องหักข้ามนี้บังคับบัญชากันแล้ว วัฏจิตที่จะหมุนไปเพื่อความเกิดตายและหาผามกองทุกไปด้วยนี้จะไม่มีที่สิ้นสุดได้เลยเคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นเรีย ว, ว่าสร้างวัฏวนให้ยืดยาวต่อไปต่อไปมีคำนี้ได้พูดย้ำเสมอเพราะโทษของมันหนักมากทีเดียวให้เราไม่มีเขตมีเดนการเกิดการตายไม่มีเขตมีเดนเลย ก็เท่ากับคนตกน้ําในมหาสมุทรว่ายน้ําเหมือนปลอมแปบบปลอมแปบบแต่หาฝั่งหาฝาไม่ได้คอยใจจะจมการว่ายน้ําก็เพื่อบรรเทาอืมไม่ให้ล่มจมไม่ให้ตายแต่สุดท้ายมันก็ตายหาฝั่งหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้นี่นี่แหละคนไม่มีความดีทั้งหลายเหมือนกับคน ว่าน้ำในมหาสมุทรอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละไม่มีฝั่งมีฟ้าไม่มีกาหนดกฎเกณฑ์ว่าจะได้รับความปลอดภัยผิด ก, กันกับผู้สร้างความดีทั้งหลายผู้สร้างความดีนั้นมีฝั่ ง, ม, งมีฟ้าเป็นที่ยึดที่เกาะถึงจะกว้างขวางก็ตามมหาสมุทร มีวัดตะวนแม้จะกว้างขวาขงก็ตามหากมีที่ยึดที่เกาะจนได้ด้วยอำนาจแต่งความดีของตนเป็นการทำบุญให้ทานนี่เป็นธรรมที่ฝากเป็นฝากตายของผู้บำเพ็ญได้เป็นอย่างดีถึงจะเกิด ก, ก็คนมีบุญเกิดกับคนมีบาปต่างกันมาก คนมีบาปเกิดเกิดในสถานที่เป็นบาปเป็นกรรมที่ไม่พึงหวังไม่พึงปรารถนาแต่คนที่มีบุญเกิดเกิดในสถานที่เหมาะสมสถานที่ดีคติที่งามาเช่นมาเกิดก็จริงเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นมีวาสนาบารมีมีศีลมีธรรมภายในใจเหนือไปเกิดบนสวรรค์ชั้นขมมีม เกิดเหมือนกันแต่ผิดกันสิ่งเสวยก็เป็นทิประสมบัติในแดนสวรรค์ชั้นนั้นๆตามแต่ตนได้สร้างไว้มากน้อยความดีนี้จะส่งไปแดนสวรรค์เอาชั้นใดก็ให้พอเหมาะพอดีกับบุญกรรมของตนที่ได้สร้างมามากน้อยเพราะฉะนั้นแดนสวรรค์จึงมีหลายชั้นตั้งแต่ชั้นจาตุม่มขึ้นไปจนถึงชั้น ปริเนมิตรวาสาวดีเป็นสวรรค์หกชั้นนี่สำหรับบรรจุผู้มีบุญมากน้อยต่างกันถ้าผู้มีบุญหนักักใหญ่ก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปโดยลำดับลำดาอายุก็ยืนนานต่างกันสวรรค์ชั้นนี้อายุเพียงเท่านี้สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปกว่านี้อายุยืดอ่อไปยืดต่อไป จงมาสร้า ง, งสวรรค์ชั้นสูงสุดอายุยืดยาวนานจากนั้นเข้าถึงพรหมโลกก็เป็นหลายหมื่นปีทิดกว่าจะได้เคลื่อนย้ายจากภพชาตินี่คือบุญพาเกิดถึงจะเกิดก็ตามแต่เกิดด้วยความดีของตัวเองที่สร้างมา <c oughs> ที่นี่เวลาวาสนาบารมีของเราแตกลาเพราะการสร้างความดีอยู่โดยสม่สำเสมอ ความดีนี้จะเพิ่มมูญเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เกิดสถานที่ดีก็อยู่ได้นานอันนี้สวยที่ประสมบัติอยู่เป็นเวลานานอายุยืนนานา น, านานเข้าไปเรื่อยๆนี่คือบุญของผู้ที่สร้างมาอย่างไปพรหมโลกจากนั้นแล้วก็่วรจะถึงนิพพานก็หนูนให้ถึงนิพพานเลยคือจะเกิดก็ตามเกิดต่างกัน คนมีบุญเกิดเจ้คนมีบาปเกิดเกิดต่างกันเหมือนอย่างแดนมนุษย์เ่านี้มีมนุษย์มากมายขนาดไหนแต่การเกิดการเสวยสุขทุกข์ของมนุษย์นี่ไม่เหมือนกันมีอำนาจแห่งกรรมจำแนกแจกไปให้เป็นต่างๆกันแม้จะอยู่ในแดนมนุษย์เหมือนกันความสุขความทุกข์ความขาดจนพ้นแคนด้วยความมั่งมีสีสุขจึงต่างกันโดยลำดับลาดาทั่ว แดนแห่งวัฏจักรนี้นั้นถ้าเรามีบุญก็บุญหักพาเป็นพาไปให้ไปเกิดในสถานที่เหมาะสมเหมาะสมไปเรื่อยๆถึงยังไม่พ้นทุกก็ยังมีที่พักผ่อนย่อนตัวด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลของตนที่สร้างมาต่างกับพวกมีบาปเป็นนไหนไห น, นั่นแหละท่านจินสอนให้บำเพ็ญบุญ การแนะนำสั่งสอนให้บําเพ็ญบุญไม่มีใครสอนได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสอนเรื่องการทาบุญให้ทานและสาสิงเจริญภาวนามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นศาสตราองค์เอกรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดนำมาสั่งสอนจัดโลกถูกต้องดีงามทุกอย่างที่เรียกว่าสวภาธรรมตรากไว้ชอบแล้ว ตรงสั่งสอนตรงไหนให้พยายามดําเนินตามที่ท่านสอนความดีงามก็จะค่อยเกิดขึ้นตามการดําเนินที่ถูกต้องตามธรรมของท่านที่สอนไวนะ้น่นแล้วอย่าฝ่าฝืนการฝ่าฝืนเป็นเรื่องความดื้อด้านของยิเรศซึ่งเคยเป็นท่าศึกกับธรรมธรรมก็อยู่กับเราก่อนเท่ากับเป็นท่าศึกของเราเองเราอย่าดื้อย่าด้านให้ฟังเสียง จอมปราดทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญฟังเราโง่ให้ฟังผู้ฉลาดฉลาดโดยความเป็นธรรมแล้วเราจะค่อยแคล้วคลาดโปรดไปเป็นลำดับลำดาไปถ้าไม่ฟังเสียงใครเลยดันทุลังข่วกนี้ขนตั้งแต่ถุสุดท้ายขนทั้งขนก็เป็นโรงงานอันใหญ่โตที่จะสร้างกุนสร้างไฟเผาไหม้ตัวเองตลอดไป วันนี้ก็สร้างความชั่ววันหน้าก็สร้างความชั่ววันไหนเดือนใดก็มีแต่สร้างความชั่วช้าละโมสร้างไปสร้างม า, ส ร, า, งมาสร้างมาหยุดไม่ถอยก็กองใหญ่กองโตขึ้นมาเราตัวเท่าอื่งอ่างนี่แต่ความชั่วเท่าภูเขาทั้งลูกเห็นไหมละ่ะความชั่วในตัวของเรานี่เท่าภูเขาทั้งลูกทั้งทั้งทีร่างกายของเราเท่าอึ่งอ่างตัวเล็ก แต่ความทั่วเราสร้างมาอยู่มันใหญ่กว่าตัวของเราไปกลายเป็นภูเขาทั้งโลกเอเวลาตายแล้วก็จมกว่าจะสะวยทุกหมดบุญหมดกรรมไปนั้นสักี่จับี่กันนี่เป็นของเล่นอะไรยจรึงต้องได้ระมัดระวังสร้างความดีก็เหมือนกันเราก็ตัวเล็กๆนี่แหละสร้างความดีสร้างไม่หยุดไม่ถอยก็กองใหญ่กองโตขึ้นไป อายุก็ยืนนานที่อยู่ก็พาสุขเย็นใจเป็นลำดับลำดาเนา่สร้างได้มากเท่าไรเขายิ่งความดีทั้งหลายยิ่งเพิ่มปูนขึ้นไปเรื่อยๆในสุดท้ายก็ถึงแดนนิพพานเพราะอำนาจแห่งความดีความชั่วไม่ส่งใครให้ไปแดนสวัสดินิพพานได้เลยมีตั้งแต่ความดีงามที่เราสร้างไว้ทั้งนั้นไยสาหรับความชั่วนั้นเป็นภัยต่อเราเอง เริ่มสร้างก็เริ่มเป็นภัยสร้างได้มากเท่าไหร่ก็ภัยรอบด้านในตัวของเราชีวิตจิตใจมีอยู่ก็คอยจระลมหายใจจะขาดพอลมหายใจขาดทีนี้อานาจแห่งกําชั่วทั้งหลายจะพัวพันใน จ, ใจิตใจบังคับ จ, จิตใจให้ไปเกิดในสถานที่ตนชอบทานั่นแหละคือความชั่วถือว่าเป็นความดีถ้าเวลาไปเจอเข้ามันไม่ดีสิ ก็นั่นคนเรามันจึงผิดหวังสัตว์ทั้งหลายไปเกิดในที่ผิดหวังผิดหวังเพราะเจ้าของทำตามใจชอบตามใจความตามใจชอบไม่ใช่ผองดีเป็นสิ่งที่ผิดผลปรากฏขึ้นมามีแต่ผิดผิดพลาดพลาไปเกิดในภพใดแดนใดชาติใดก็มีจต่ไปเกิดแบบผิดผิดพราดพลาไม่ถูกต้องดีงามผิดกับคนสร้างความดีอยู่มากทีเดียว มันต้องใหพากันข้างความดีอืต้องทนเรามีขอบเขตเราเป็นคนรักษาตัวของเราตั้งแต่ต้นจกนกระทั่งปัจจุบันและถึงวันตายไปเราจะต้องได้รักษาตัวของเราเรื่องภัยทั้งหลายเกี่ยวกับของเกี่ยวข้องกับร่างกายเราก็ระวังอืมควมชั่วนความชั่วทั้งหลายที่เกี่ยวกับจิตใจที่จะให้เป็นบาปเป็นกรรมเราก็ต้องระวัง ทางด้านจิตใจระหว่างการกระทำาิึงใดที่จะเป็นภยัยแก่ตัวเองไม่ให้ทำถึงอยากจะทำเท่าไรก็ไม่ทำเมื่อไม่ทำแล้วความชั่วมันก็ไม่เกิดอยากอยากทำความชั่วเมื่อเราไม่ทำความชั่วก็ไม่เกิดีผ่านไปผ่านไปความดีถึงไม่อยากบังคับให้ทำเมื่อบั ง, บงคับให้ทำลงไปแล้วความดีก็จะเกิดขึ้นต่อไปก็จะติดใจ ในความดีทั้งหลายคนเราเมื่อกินได้รับการอลรมในอัตในธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอและจะคอยราบลื่นดีงามในการสร้างความดีดเรื่อยๆไปเหมือน ก, นกันกับคนที่เคยสร้างความชั่วชา้าละโม่เมื่อสร้งางหนักเข้าหนักเข้าเลยราบลื่นไปทางความชั่วชา้าละโม่พอจะชวนไปวัดไปว่าฟังธรรมทำศีลทำบุญให้ทานขาด เหมือนภูเขาทั้งลูกมาขวางหน้าอยู่ไปไม่ได้แล้วก็จมนี่มันต่างกันนะอืเราจึงต้องเลือกพยายามต <c oughs> ั้งแต่เวมีรามีชีวิตอยู่นี่ตายนี่ใครจะไปรับรองเราตายมารวมกันคนทั้งประเทศเนี่ยมามารวมอดูคนคนเดียวมาช่วยคนคนเดียวที่ตายอยู่นี่ไม่มีแน่แต่รายเดียว ที่จะช่วยได้เป็นบุญเป็นกรรมของตัวเองต่างหาเราทําบาปไว ม, มากเพียงไรนั่นแหละทีนี่ตายลงไปแล้วคนมาช่วยในงานศพสักกี่หมื่นกี่แสนคนไม่มีความหมายบาปสู้บาปสู้กรรมไม่ได้บาปกรรมใสทีเดียวขาดจะบั้นไปเลยลงนรกนั่นที่นี้การสร้างความดีก็หวานกันไม่มีใครมาช่วย เราต้องช่วยเราเองบุญกรรมนี่ช่วยเองตายแล้วไปทางดีทางดีไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายแล้วนิพานไปเลยนี่อำนาจแห่งความดีสมบูรณ์เต็มที่แล้วเราเป็นคนช่วยตัวเองตลอดไปจึงให้รีบพยายามแก้ไขสิ่งใดไม่ดีสิ่งนั้นเป็นภัยต่อเราโดยแท้ให้ระมัดระวงังสิ่งใดดีสิ่งนั้นเป็นคุณต่อเราหนุนเรา เราพยายามสร้างสร้างไปสร้างมาก็ชินต่อ น, นิสัยวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้สร้างความดีอยู่ไม่ได้นะคนเราที่เคยสร้างความดีจนเป็นนิสัยแล้ววันหนึ่งเช่นไม่ได้วาพภาานี่มันนอนไม่หลงมันนักเป็นอยู่ในใจนั่นแหละได้วาพระให้สนิทใจก่อนว่าพพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สวดมนต์ย่อๆหรือไม่ได้มากได้เพียงยอ่อๆ ก็อบอุ่นภายในใจนี่คือความเคยชินของใจนอกจากนั้นจะภาวนาเพื่อความสงบใจให้รับกับการภาวนายิ่งดียิ่งดีงดนี่เวลาตายก็เป็นสุขเป็นสุขไปเลยนี่แหละความดีไม่ได้ทาอยู่ไม่ได้นะมันเคยแล้วต้องได้ทําได้ทำํำหากมีธรรมชาติหนึ่งพูดไม่ถูกอักปจักษตัวเอง เป็นเครื่องดึงดูดที่จะให้สร้างความดีอยู่ตลอดไม่ได้มากได้น้อยก็เอาเป็นความดึงดูดความพอใจเป็นอยู่ในจิตของผู้เคยสร้างความดีมาจนเป็นความราบรื่นดีงามแล้วเช่นเดียวกับคนที่สร้างความชั่ววันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้สร้างความชั่วไม่สบายไม่สร้างความชั่วถือเป็นความสบายนั่นเรียกว่าคนตายทั้งเป็น สร้างความชั่วเผาตัวเองทั้งเป็นทั้งเป็นเรื่อยไปตายแล้วก็จบไม่มีประโยชน์อะไรเลย <c oughs> จิตดวงนี้แหละอใครตามเห็นเมื่อไหรจิตดวงนี้นะเราจะถือท้างล่างนี้ว่าเป็นจิตหลักธรรมชาติที่ถูกต้องดีงามตามหลักความจริงนี้ตามธรรมแล้วจิตเป็นอันหนึ่งร่างกายนี้เป็นอันหนึ่งไม่ว่าร่างกายของคนของสัตว์ นั่นเป็นเรือนร่างของจิตที่เข้าไปอาศัยในเวลาเกิดเริ่นั่นอยู่เท่านั้นเองแล้วปีต่อไปถึงวันตายตายแล้วจิตตรงนี้ก็ไปไปเกิดสถานที่ต่างๆ ต, ตามอานาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนใครมีกรรมดีบุญมีบุญมีกรรมุศลก็ไปเกิดสถานที่ดีถ้าใครมีแต่บาปแต่กรรมตายลงไปแล้วก็นับวันจมไปเรื่อย ใจนั้นแหละเป็นผู้ที่จะรับความทุกข์ความทรมานร่างกายนี้พอหมดความหายใจแล้วไม่ว่าศัตว์บ้าบุคคลมันหมดความหมายทันทีแต่จิตนี้ไม่หมดความหมายบุญกรรมยังมีอยู่ในจิตคนสร้างความดีบุญพาให้ไปดีเสมอไม่ตายเอาคนสร้างความชั่วก็ความชั่วพาให้ไปใจตรงนั้นไม่ตายแต่ด้รับความทุกข์ความทรมานตลอดไป มีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ว่าใจไม่เคยตาย <c oughs> ทีนี้เวลาเรียนจะมารู้แล้วก็เรียนจบที่จิตตภาวนาเรียนใจของตัวเองให้จบจบที่ตรงนี้นะด้วยการภาวนาในเบื้องต้นปิดฟุ้งสร้างดรรการไม่ทราบว่ากายไปยังไงใจไปยังไงเือ่ยร่างกายทั้งร่าง <c oughs> แต่ว่าสะดวกหรือว่าสบายก็ว่าถือว่าสบายทั้งตัวเรา จิตเป็นยังไงไม่ว่าถือจิตกับกายเป็นอันเดียวกันมีเวลาเราฝึกหัดภาว น, นาเข้าไปฝึกหัดภาว น, นาเข้าไปเวลาใจมีความสงบแล้วจะสงบอยู่ในทํากลางในหัวอกของเราร่างกายนี้ก็ <c oughs> เป็นเรือนร่างทีนี้จิตมีความสงบมากน้อยเพียงไรแยกมันแยกของมันเองว่านี่กายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งชัดเจนเข้าไปด้วยจิตตาภาว น, นา <c oughs> แล้วแน่ชัดเข้าไปสุดท้ายก็รู้ชัดว่าร่างกายนี้เป็นเรือนร่างของใจเท่านั้นไม่ใช่ใจนั่นยิ่งจิตได้ชําระซากฟอกเขาไปมีความละเอียดละออขนาดไหนจิตนีน่้ละเอียดชัดเจนแล้วร่างกายเป็นของชกโป่กโสมมเหมือนเก่าเหมือนเหมือนเขาเหมือนเราแต่ใจนี้เราได้รับการซากฟอกอยู่ตลอดเวลามีความสง่างาม อยู่ภายในร่างกายคือเรือนร่างมันกโกประบกนี่แหละแต่ใจไม่โกประบ ก, บกเนี่ยมันต่างกันอย่างนั้นเห็นชัดๆเลยอยู่ที่ในใจนี่เป็นผู้รับผิดชอบในเรือนร่างของตนแต่ใจที่แล้วการอบรมศึกษาแล้วมีความสว่างสวัยมีธรรมเป็นที่พึ่งของใจไม่ถือเอาร่างกายเป็นที่พึ่งเลยพะอาศัยกันไปตรงนั้นเท่านั้น ทิ้งที่จะพึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆแล้วคือทำภายในใจอยู่ที่ไหนก็เป็นตัวของตัวเต็มจัตเต็มส่วนร่างกายจะสชันดุดสูญไปก็รู้จนกระทั่งจะไปไม่รอดแล้วหรือก็รู้ว่าร่างกายนี้จะไปไม่รอดส่วนจิตพร้อมที่จะไปทางดีเสมอเพราะได้สร้างความดีเป็นหลักมันเป็นฐานต่อจิตใจเรียบร้อยแล้วนี่พอจิตพอ ลมหายใจสิ้นแล้วจิตก็ดิต่อไปเลยไม่ห่วงไม่ใจไม่เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรเลยนี่คือผู้มีการอบรมทางด้านจิตใจ <c oughs> อันนี้ยิ่งเราชำระให้ละเอียดรอเข้าไปกันเท่าไหร่เท่าไหร่ยิ่งรู้ได้ชัดเรื่องใจกับร่างกายนี้เป็นเรือนร่างร้อยเปอรเซนร่างกายใจนั่นเป็นธรรมชาติกันหนึ่งที่รับผิดชอบอยู่ภายในร่างกายนี้ แต่ไม่ใช่ร่างกายรู้ชัดรู้ชัดแล้วก็ตั้งจิตบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วที่นี่ร่างกายนี้เป็นเรือนร่างเต็มสัดตเต็มส่วนจิตนี้เป็นธรรมชาติของตนเต็มสัดเต็มส่วนไม่ได้มีประสปประสานกันสซึมซาบกันยึดถือกันเลยถึงเวลาลาาที่จะไปแล้วร่างกายหมดสภาพปล่อยปุ๊บจิตที่บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วดีดถึงเลยเพราะแม่ต้องจะอยู่ในร่าง นี่ก็ไม่ยึดถือร่างกายนี้อยู่แล้วเพียงแต่รับผิดชอบไปเป็นธรรมดาหากเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่พอตัวแล้วด้วยธรรมเป็นอย่างนั้นนี่แหละจิตไม่เคยตายนะเวลาถึงขั้นที่ชัดเจนจริงก็ถึงขั้นบริสุทธิ์พอจิตนี้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่จิตกลายเป็นธรรมชาติภายในจิตใจตัวเองนั่นแหละเป็นธรรมชาติร่างกายก็ เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูกเหมือนเดิมแต่จิตนั้นเป็นธรรมธาตุแล้วแต่ก่อนไม่เคยรู้เวลาเราฝึกผนเราลมไปซากฟอกไปซากฟอกไปใจกับกายคอยแยกกันออกแยกตลออสุดท้ายแยกกันโดยสิ้นเชิงเพียงอาศัยกันอยู่เป็นเรือนนี่เป็นเรือนร่างที่อาศัยของของใจพอถึงวันการแล้วก็แยกสลายกันไปฉะนั้นเป็นที่แน่ใจตลอดนี่ การสร้างความดีจึงเรียกว่าการสร้างความพอภายในจิตใจอบอุ่นภายในจิตใจไปในตัวตลอดเลยนะส่วนภายนอกเราไม่ได้ประมาทไม่ว่าท่านว่าเรา <c oughs> ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้กับเรือนร่างมันเป็นผู่เคียงกันต้องพาอยู่พากิน พ, พานอนพานอนบพาขับพาถ่ายต้องสิหารสิ่งภายนอกเข้ามาเยียวยากันบำรุงรักษากันจนกราทั่งวันตาย เป็นอย่างนี้สําหรับร่างกายส่วนใจก็สั่งสมความดีงามเข้าสู่ตัวเองจนกระทั่งใจพอแล้วเอาร่างกายไปยังไงก็ทราบ ว, ว่าร่างกายไปอย่างนั้นถึงสภาพที่ว่าจะไปไม่รอดแล้วปล่อยได้เลยจิตเป็นจิตกายเป็นกายไม่แพรเข้ากันจิตก็ดีถึงออกเลยนี่แหละที่ว่าจิตไม่ตายจิตไม่ตายนอกจากนั้นอยางเป็นธรรมชาติเรียกว่านี้ผ่านเที่ยง เที่ยงที่จิตบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วเรียกว่าธรรมธาตุธรรมธาตุนั้นแหละตา้นเรียกว่านี่ผ่านเที่ยงเที่ยงอยู่ที่จิตที่เราได้พุทธะอบรมมาแล้วอบรมมาอย่างไงก็ค่อยดีขึ้นไปจิตนี่เนี่ยเป็นนักตมบุกสำบันนะเป็นนักท่องเที่ยวจะไม่หยุดไม่อยู่ตลอดไปถ้าไม่ยังมีเชื่ออยู่ภายในใจจะต้องท่องเที่ยว ถ้าความดีมีมากท่องเที่ยวประทางที่ดีมีความสุขความเจริญก่อนจะสิ้นพบสิ้นชาติไม่กลับมาเกิดอีกก็มีความสุขความเจริญไปตามศาสตร์ตาส่วนอืพอถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วปล่อยหมดโดยประการทั้งปวงไม่ว่าจะหวังพึ่งอะไรเราเป็นเราเต็มตัวแล้วไปพึ่งหาพึ่งอะไรนั่นมันรู้เองนะจิตใจแต่ก่มัน เดือดร้อนบุญวยัยเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายนี่ไม่อยากตายสัตว์ก็ไม่อยากตายคนไม่อยากตายไม่ได้เรียนวิชาความรู้กลัวตายไม่มีสัตว์ก็รู้รู้เองรู้เองแต่เวลาเรียนทำเขาไปเป็นคู่เพียงฟัเดเหลี่ยงมันไปแล้วถึงขั้นที่ไม่กลัวตายมีนั่นไม่กลัวตายเพราะรู้ใจว่าเป็นของไม่ตายใจเป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่เปิดตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์น่ย ส่ว น, นี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยเจ้านั้นถึงการเวลาที่จะพังเอาพังไปจิตที่ไม่ไม่เคยพังก็อยู่ตัวเองไปดีพึงไปเลยนี่อำนาจของความดีให้พากันอบรมอย่างอย่างไรก็ขอให้มีหลักเกณฑ์เป็นเครื่องบังคับตนอันใดที่เป็นชั่วเราอย่าเราอย่าทำทำแล้วก็เป็นการทําต่อเราเองไม่ทําต่อใครนะกรรมเวรกรรมที่ไหนกรรมของเราผู้ทําเอง กรรมดีก็เป็นเราทําเรียนกรรมชั่วเราทําเองให้เลือกเฟ้นกรรมด้วยดีนะวันนี้พูดเพียงเท่านี้ละเพอให้ท่านทั้งหลายได้นําไปคิดไปตรองถึงเรื่องจิตดวงสําคัญที่อยู่ในเป็นเรือนร่างอยู่นี่ <c oughs> มันออกจากนี้แล้วไม่อยู่นะมันจะไปพบใรชาติใดต้องถือบุญถือกรรมเป็นสําคัญบุญกรรมคือดีชั่วเป็นสําคัญที่จะเป็นเครื่องตัดสินพาใจไปท่าน มีชั่วมากแล้วยังไงก็ลงจเจ้าผ้ามาคุชลาธรรมมาหมดทั่วประเทศไทยนี้หมดทั้งประเทศไทยไม่มีความหมายสู้บาสู้กรรมที่ติดอยู่กับหัวใจมันได้จะบังคับลงในโลกต่อหน้าต่อ ต, อตาของพระที่กําลังสวดกุชลาธรรมมากุชลาธรรมมาอยู่นั่นแหละ <c oughs> ที่นิ่สร้างความดีให้เจนเม็ดจนหน่วยแล้ว <c oughs> ก็อีกเช่นเดียวกันพระจากกุชลาไม่กุชลาตัวนี้กุชลาฉลาดรอบตัวแล้ว ดีดถึงเลยนี่การสวดด้วยไม่สวดไม่สําคัญนี่ทําตัวให้จิตใจมีความเฉลียวฉลาดกุศลาแปลว่าความฉลาดให้ทําตัว <c oughs> ความดีงามทั้งหลาย <c oughs> เป็นความฉลาดรอบตัวแล้วรักษาใจได้ตายจะไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลาธรรมาดีดถึงเลยบุญจะพาไปไม่ใช่ต้องอาศัยพราะมากุศลาธรรมาเสก่อนถึงจะไปสวรรค์ น, นิพพานได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะ อันนี้กระสวดมาตามหลังนี่แหละกุศลธรรมามาตริกาหลักใหญ่คือกรรมดีกรรมชั่วอยู่กับตัวเองทุกคนแล้วจะไม่บรรยายไปเรื่องนิมนต์พระมาตุลามีมาครั้งใดครั้งใดมีตํำรับตํารามีแต่เราจะไม่พูดไปเอาบุญเอากุศลนี่เป็นกุศลาเครื่องพยุงตนด้วยการสร้างความดีมาอยู่ในสอยนี่เป็นกุศลาตัวเองตลอดเวลาแต่เดาดีถึงเลยในพระคัมภีร์นะ เอาละเพ story, oh, ียงเท่านี้เนี่ยบ่อ๋อว่าจะไม่เท่มันก็ได้เทรยอย่างนี้แหละอยู่ว่าไงว่าจะไม่เครนยดอะไรมีได้นะนะแเราให้ขมาอยู่แล้วอืม การขอมาทีหลังเราให้ก่อนขอแล้วไปนะเนี่ยอันนี้ที่เราจะเอาเร า, เอาอ น, นี้ทหารอันนั้นเราไม่เอามันไม่อร่อยมันสู้อันนี้ไม่ได้เราจะเอาอันนี้อันนี้อร่อยกว่ า, านะผลหยุดแล้วนะวันนี้ตอนบ่าย เทศหนักประทังพระเพราะนานๆท่านตระมาถึงแต่ก็ไม่เต็มรถเป็นหน่วยแม้หนักประทางพระก็ไม่เตรมรถเป็นหน่วยเพียงเบอกแล้วก็เป็นช่องเป็นทางแตดีแล้วก็คนไม่ใช่น้อยนั่นที่นี่าก็ชวอัดแน่นนั่นก็ดีพุทธิเรื่องนี้อัดแน่นวันนี้ฝนตกงก็ไม่มีคนบ้า ถุกท้ายล้นกุฏิไวันนี้นะอ่ะพระตะกันบ่ายนี่ก็เท่แล้วนี่ตอ น, นบ่ายโมงก็เค่แล้วคนก็เต็มจ้าลาทั้งพาทั้งขนเต็มหมดจ้านี่ก็เท่ไปผ่าไปแล้วนึกว่าตอนเย็นจะไม่มีที่ไหนได้แน่นกุฏิกลาบ่ายก็เค่ก่อวิจิตรนะ มีแท่เอกออกวิทยุวันนี้ออกวิทยุถึงสองกันกันตอนบ่ายกันตอนค่เหมอนถึงแค่แค่ออกวิทยุบดเลย่ออเอาว่าเหมือนที่ฝนกระกกเหือเรียกว่าอยู่แก้วฝนกระกกเหรอเรียกว่าหยู่แก้วอ้เนี้เบียรูปกาเรียนหลวงพ่อทองว่า นปูเทีย๊ยจนโทจนโทแปลว่าอะไรอืหลวงทองบอกว่าจนโทแปลว่าน้อยอจนโท่แปลว่าน้อยใช่ปะน้อยเจียแปลว่ากินใช่ปะเราเป็นหลกพกินน้อยใช่ปะน่นไง ม, ไ ม, ไ ม, ไมัไม่จนกอกมันไปหาจนได้ <c oughs> <c oughs> ว่าถามเราอาจารย์เที๊ยจนจนโธแปลว่าอะไรแปลว่าอาจารย์เจียหรอวะ แปดข้ามาได้ก็งเก้ยอายุดนะได้ไหถึงแปดสิบไหมยังเกลี้ยงไม่ใช่เสียไปสองเตียหรือยังไม่ถึงแปดแปดสกว่ายังไม่ถึงเก้าสิตอนตอนท่านเสี่ยงกิดเก้าสิบเกดเก้าสิบมันงั้นเกิด้มงเขาเกิดขึฉู ขานขอไม่ลงแต่ก็ท่านสามเป็นสามแต่ท่านเคารพมากนะก็เคารพเรากลัวก็กลัวมากนะือท่านพูดโ ก, ง, กงเลยว่ า, าบรรดาพระคือมาเป็นอาจารย์อยู่บนหัวใจผมมีสององค์ว่า ง, งั้นนะพูดโกงคือท่านอาจัรย์มันม่นกับท่านอาจารย์นี่ตอนนั้นผมไม่ได้ฟังใครไไม่เคารพใครง่ายๆว่าพูดอย่างโกงไปโกงมา ว่าอยู่หัวใจทันสององค์คุณพ่อแม่ัวจมากกับเราหลังถ้ากันลงเรามาแก้ใจอ่ะท่านบอกว่าประยุทชาตไม่เคยใส่เลยหลอกท่้นบอกโก่งๆนี่อ่ประยทชาตเครื่องอะไนก็ว่าพาะําพูดคำตาเด่นเดี่ยวเียบขาเหมือนกันหมดว่าผมลงเลยพรนาหาที่ข้านไม่ได้หลังนั้นึงต้องลง แล้วตกลงว่ามีอาการอยู่บนหัวใจผมสองโอมว่าตอนนี้ก็ให้พรนะนะเสร็จแล้วนะอืวันนี้มันทั้งวันเลยวันนี้วันยุ่งทั้งวันวันพวกญาติโยมยุ่งกว่าเราซะอีกนะอไมอ้พรไม่พร